ถ้าหากว่าเราจะพูดแต่เรื่องธรรมะภาคปฏิบัติจิตภาวนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรือเรื่องวิปัสสนาเรื่องด้านจิตใจโดยตรงหรือโดยเฉพาะก็ทำให้พวกเราฟังไปแล้วมันก็แต่ตามไห้ดีดีไหมดีดีมากๆแต่ผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่แต่ฟังเข้าไปแล้ว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 เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องตน้นคือพระโสดาบันจากนั้นท่านก็ได้บําเพ็ญเป็นระยะเวยะเวลาึยาวนานจนครั้งสุดท้ายท่านจังได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้คือท่านพระอานนท์แต่องค์อื่นๆอบางทีก็ได้มากไปเร็วบางบางองค์องค์สุดท้ายครั้งสุดท้ายจนหายใจเงือกสุดท้ายจึงได้สําเร็จ เจ็บไข้ได้ป่วยอีกต่างหากอย่างนั้นก็มีถ้าว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เห็นพิษเห็นภยัยไม่เห็นโทษจนเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราแท้แทอจากนั้นจึงทาใจปล่อยวางปล่อยวางลงได้อย่างนั้นก็มีอย่างในครั้งพุทธกาล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 แต่ท่านเป็นผู้มีศีล ร, รักษาศีลบริสุทธิ์ตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่แพ้องไหนเพราะว่าอยู่ในปัดป่าเชตตะวันแต่พ ร, ระองค์ก็มีพระภิกษุหลายร้อยรูปร้อยร้อยหลายร้อยหลายพันรูปอยู่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารแต่วันหนึ่งในช่วงหนึ่ง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 เม็ดเล็กๆพอเป็นผืนต่อมากับเท่ามเมล็ดงาอ่าต่อมาก็เท่าเอ่อเมล็ดใหญ่ขึ้นไปจนถึงมเมล็ดมะละกอมะเมล็ดข้าวโพดอ่าผลในสุดใหญ่เท่ากับลูกตูมลูกตาลเป็นฝีขึ้นมาทั่วร่างกายผลในสุดมันแตกใช่เออฝีตัว น, นี้ก็แตกไปหาตัว น, นั้นตัว น, นั้นก็แตกไปหาตัว น, นี้ใช่เออร่างกายกับมัน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 ท่านก็มองดูเหมือนกับเปิดจอเลด้าลักษณะอย่างนั้นอ่ะเปิดส่องดูโลกอวนเข้ามาวนเข้ามาก็มาเห็นพระภิกษุพระติดสัเทระพระติดสะเข้ามาในข่ายคือพยานคือเข้ามาในจอเลดา้าท่านก็มองเห็นติดสัตในมีอะไรท่านอโอ้โอ้ติตสะป่วยอาการหนักถ้าเราไม่ไปโปรดเขาเขาคงจะ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 แต่นี้ก็พอพระองค์จะขยับเดินตรวนดูวัดพระอ น, นุนก็เดินเป็นปัจฉาสมณะคือเดินเป็นผู้ติดตามพระพุทธเจ้าพระธองค์ก็เดินเดินเดินเดินไปแต่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าน่ยคือกุติพระติสักเพราะท่านรู้แล้วว่าพระติสะป่วยหนักจากนั้นพระพุทองค์ก็เดินไปไปเห็นพระติสะนอนอยู่ใต้ถุนกุติ น, นานนอนอยู่ในเตียง พุทองค์ก็ถามเอ้าติดสากเป็นอะไรพระติดสาวฆ่าพระองค์อาพาธพระเจ้าค่าและมีใครดูแลไหมไม่มีพระเจ้าข่าพวกข่าพระองค์เป็นผู้มีอติเรกราบน้อยไม่ได้รู้จักกับพระภิกษุสัมมาเนนเป็นส่วนตัวก็เลยไม่มีพระอุปถาคพระเจ้าข่าพราะพุทองค์ก็บอกอไปอานนท์ไปต้มน้ำ อขนาดพระพุทธเจ้าลงลงทําเองเลยนะอานนท์ไปต้มน้ําพระอานนท์ก็ไปต้มน้ําพอต้มน้ําเสร็จพอน้ําอุ่นใช้ได้เยพระอานนท์ก็ยกน้ํามาจากนั้นก็คงจะมีพระสงฆ์เข้ามาช่วยหลายหลายองค์ละมั่งทีนี้พอพระพุทธเจ้าเป็นคนไปทําแล้วเจากนั้นพระองค์ก็ได้ตักน้านําำลากน้ําอาบสงให้พระ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 บอกได้ไหมใบ ไ, ได้พระเจาา้าค่ะถ้าว่าบอกไม่ได้อย่างนี้จะจัดว่าเป็นของเธอได้ไหมติดสะ์ไม่ได้พระเจาานะ้าค่ะนี่ยนั่นแหละบอกไม่ให้แก่มันก็แกใช่ไหมใช่พระเจาา้าค่ะบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังใช่ไหมร่างกายเนี่ยใช่พระเจาา้าค่ะและบอกไม่ให้มันตายมันก็จะตายอย่างนั้นใช่ไหม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 ดูนะพิจารณานะเดี๋ยวเราจะไปแล้วแต่นั้นพระพระุทธองค์ก็หานหลังให้ไม่นานพระพรทองค์หันหลังให้ไป่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านพิจารณาตรงนี้ตัวอเนจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจกหลุดพ้นจากอาสวักิเลสได้เป็นพระอรหันต์อพอเป็นพระอรหันต์เสร็จ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 ถ้าไม่ใส่ใจไม่ดูแลปรับอวบทุกกฎในเมื่อครูบาอาจารย์บอกกล่าวให้ฉย์อง์ใดให้ไปช่วยกันดูแลถ้าฉย์องนั้นไม่เข้าไปดูแลปนิบัติปรั บ, รบอวบอีกเพราะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่ในาศาสนากตต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าหากว่าครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วย สิทธ์ยาโุสิทธิ์ทั้งหลายก็ต้องดูแลปนในบัติอย่าได้ขาดตกปกพ่องในเมื่อสิทธิ์เจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์ก็ต้องดูแลปนในบัติลูกสิทธิ์เหมือนกันลูกสิทธิ์ผลในบัตรอาจารย์เพราะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะพึ่งตนเองไม่ได้ถ้าหาว่าผู้ใดก็ตามไม่ใส่ใจหรือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหนีออกไปขณะที่ครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วย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 ถ้าพวกท่านทั้งหลายไม่พึ่งพาอาศัยกันแล้วพวกท่านจะอยู่อย่างไรผู้ใดก็ตามอยาจกจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติพิกษุไข้หนะ้เพราะนั้นครูบาหมอทั้งหลายนะพระหมอทั้งหลายนะอนะเมื่อเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วให้จําเอาไว้คํำเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพระพระบาลีไว้เลย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 ถึงจ ะ, เ ป, งะเป็นพระปูตุชนยังไม่ใช่อริยชนเป็นภาคปูตุชนแต่เป็นผู้มีศีลเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราดูแลผลนิบัติท่าน เ, เมื่อท่านหายป่วยหายไข้แล้วท่านก็มองดูโ อ, โอ้เราในเียรเส้นแดงหนะ่อยถ้าไม่เลยประเด็เราตายแน่จากนั้นท่านก็จะเบื่อนายคลายจิตใจของท่านก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส นันละบุญกุศลจากที่พวกเราได้ดูแลปณิบัติท่านจะเป็นบุญกุศลมหาศาลติดภพติดชาติไปนานเท่านานเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีไว้ว่าผู้ใดก็ตามอยากจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภพกสุไครอานิสงบุญกุศลจะมากในการดูแลปณิบัติพระเพิกสุไครผู้ทรงศีล นี่แหละจากนั้นก็พระองค์บัญญัติวินัยเสร็จแล้วจากนั้นพระติดสระท่านก็ไม่นานท่านก็ปรินิพานรับสายตามพุทธเจ้าไปตอนั้นท่านป่วยหนะักอาการหนักท่านปรินิพานพอปรินิพานเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จัดจัดงานใช่ไม่ใช่จัดงานเา ก, กเลิกเกลิกอย่างเรานะปู ป, ปับกรหาตะแค่ ใส่ตะแคบไปแล้วก็ผ้า พ, พันแล้วก็หามไปกใส่กองฟืนแล้วกไฟเผานะประชุมเพลิงเลยพอประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้าว่าพระติสะได้ตายไปแล้วลพระพุท้าองค์ได้จัดการจลรีละเรียบร้อยแล้วพระติสะท่านตายไปไปแล้วท่านจะไปที่ไหนพระเจ้าขานะ่าเนี่ยประสงท์ท่านก็ถาม ถามพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นพระทเป็นผุ้ตุชนก็มีฮะพระติสสะเทานตั น, น, นมรณะภาพท่านตายไปแล้วจะไปที่ไหนพระเจ้าข่าเพราะพระพองค์บวชบุตรของเราปรินิพานแล้ววัะ น, นั้นขาให้พวกเธอท่า น, ท, นทั้งหลายเอาอติธาตของติสสนะไปปลูกสัททูปฤตเจดีไว้ในทางสีแพ่งให้คนได้กราบได้ไหว้บุญกุศล ที่คนได้กราบได้ไวาออธิธาตุของพระหันจะติดพบติดชาติไปนานเท่านานได้กราบอธิธาตุพระธาตุของพระหันเพราะังให้เธอทั้งหลายเอาอธิธาตุติดสับไปไว้ในทางสีแพ่งคนทั้งหลายจะได้กราบว่ายกคราบูชานี่แหละกระดูกพระหันท่านให้ออาไปไว้ในทางสีแพ่งนะจะมาถูปรหลาาบุคคลสี่จพวกอย่างที่ว่าน เพราะกระดูกอธิ พ, พัทธ์ของ พ, พร ะ, ระรรรธธพุทธเจ้าเนี่ยพระพรมสารีริกธาตพระพุทธเจ้าเนี่ยพระปฏิเจกพระพุทธเจ้าหนึ่งพระรหัตสาวกหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิหนี่ยนี่แหละพระติดสะก็คือออธิธาตุของพระหรหัสถวมควรที่จะเอาไปไว้ในทางสีแพร่งนี่แหละ ค, คือพระติดสะพระสงฆ์ก็สงสัยอีกกว่าออื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 บาปกรรมหนักถึงขนาดนี้พระเจ้าขา่าพระพุทธองค์เอาฟังอันดีตกรรมของติดสระเน่ยติดสะเขาทั้งมีทั้งบาปมีทั้งบุญมีทั้งบาปและบุญเขาทํามาด้วยกันทําบาปด้ดวยทําบุญด้วยใคล้าว่าไม่ได้เขาไม่ได้ทําแต่บุญอย่างเดียวแต่เขาก็ไม่ได้ทําบาปอย่างเดียวเขาทําทั้งบุญทั้งบาปเพราะนั้นบุญก็คือส่งให้เขาได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์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 อให้แม่บ้านเขาจัดทําให้เสร็จเรียบร้อยก็รีบออกมาเพื่อไม่ให้ก่อนเพนเราะงั้นะก่อนเที่ยงอาหารถวายพระท่านอยู่ในป่าพอเขามาแล้วก็ถวายท่านโอ้พระคุณท่านกระผมได้นําถวายนําอาหารมาถวายพระคุณท่านพระคุณท่านรับเอฉันอาหารให้กระผมด้วยเทิดกระผมได้เอามาถวายแล้วเนี่ยพระเถระท่านก็รับประเค้น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 จากนั้นก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บโรค ก, ก็คือเนี่ยบาปกรรมตัวเองได้ไปฆ่าหักขานกบ้างหักปีกนกบ้างถอนขนนกบงังบังไว้บ้างบาปกรรมตัวนั้นนเข้ามาให้พระติดสระใช้กรรมกรรมคือการกระทําเพราะติดสรได้ทํากรรมไว้อย่างมากอย่างหนักยึดอาชีพในการ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 มาในพระไตรปิฎกที่ยกขึ้นมานี่คือมาในพระไตรปิฎกมาในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าพระองค์เฉล็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารพระเถระที่ท่านได้รับบาปเคราะห์กรรมอใ น, นอนดีตก็คือพระติดสะท่านก็เลยเป็นพระอาหารหันต์ท่านไม่แยแสแล้วตอนนี้ท่านได้เป็นเศรษฐีแล้วท่านเข้าสู่ปรินิพานแล้ว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 พวกเราทุกๆท่านที่ได้เกิดมาพบพรพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สังสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไวา้เพราะบุญกุศลนี่แหละหจะเป็นเครื่องเกื้อกูลนุนให้พวกเราได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลต่อไปภายภาคหน้าถ้าคนมีบุญแล้วทาอะไระดีทั้งหมด ดูนสถานที่ใดก็ดีมีแต่ความสงบร่อเย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งใจด้วยแต่ถ้าคนมีบาปแล้วไปอยู่นสถานที่ใดมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความทุกข์ในจิตในใจหาความสุขกายสุขใจได้ยากเพราะอะไรเพราะคนทําบาปเพราะนั้นบาปกับบุญมันต่างกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ วันนี้ของพ่อได้ยกเป็นเรื่องราวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาตอนนี้ไปก็นั่งสมาธินะที น, นี้นะเอาฟังเทศสักกันหนึ่งก็ได้นะเปิดเทปเอ็พสสักกันนั่งสมาธิฟังนะที น, นี้นะ